ที่สองเข้าสู่แดนทิพย์โลกทิพย์เป็นโลกที่มีอยู่จริงไหมและเป็นโลกที่ถาวอนยั่งยืนเพียงใดคำว่าชีวิตในโลกทิพย์จะเป็นชีวิตที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ตลอดกาลหรือไม่สำหรับชาวโลกมนุษย์เมื่อพูดว่าตลอดกาลก็มักจะมีความหมายเป็นในคนองเปน็นอมาตะาด้วยเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ว่า ความเป็นอยู่ของเราในโลกทิพนี้จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดการและก็เป็นธรรมะตะ ด, ด้วยจริงหรือเปล่าในที่นี้ข้าพเจ้าใคร่ขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบว่าสำหรับข้าพเจ้าเองยังไม่หารพอที่จะพิสูจน์เรื่องนี้แต่ข้าพเจ้าใคร่ที่จะเสนอข้อคิดเห็นบางประการเป็นการแนะนวทางให้ท่านได้ลองคิดดูด้วยตนเองบ้างดังต่อไปนี้ ความมีเที่ยงแท้ถาวรของโลกมนุษย์ท่านผู้อยู่ในโลกมนุษย์ยอมจะต้องคิดอย่างแน่นอนว่าโลกของท่านเป็นโลกที่มีอยู่อย่างแท้จริงแต่แม้กระนั้นมันก็ยังมีปรากฏการ์แห่งความไม่ยั่งยืนหลายต่อหลายอย่างให้เห็นประจักษ์อยู่เสมอโลกของท่านเป็นโลกที่มีอยู่อย่างแท้จริงเพราะมีสิ่งต่างๆนานาปาระกรซึ่งท่านเห็นได้จักต้องได้ ท่านมีตึกรามบ้านช่องอันใหญ่โตวแวดล้อมตัวท่านอยู่ตลอดเวลาบนพื้นโลกก็เป็นดินแข็ ง, ขงซึ่งท่านเดินไปมาได้ท่านมีอาหารกินได้มีเสื้อผ้าสวมใส่มีกิจการงานนานาชนิดมีการเล่นนับไม่ถ้วนมีการเดินทางไปมาเป็นระยะใกล้บ้างไกลบ้างเหล่านี้ละอื่นอีกมากมายล้วนประกอบเป็นชีวิตของท่านซึ่งมีอยู่จริงจริงแต่แม้กระนั้น ท่านก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในที่สุดก็จะมีวันหนึ่งที่ท่านจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหมดที่ท่านคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริงนี้ไว้เบื้องหลังโดยที่ท่านจะต้องผ่านกระบวนการของธรรมชาติอันจะทำให้ร่างกายของท่านไม่อาจทำงานได้อีกต่อไปกล่าวกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือวันหนึ่งท่านจะต้องตายนั่นเองและก่อนที่วันนั้นและนาทีนั้นจะมาถึงตัวท่าน ท่านก็จะได้เห็นปรากฏการอันแสดงถึงความเสื่อมโทรมและแตกสลายเกิดขึ้นรอบตัวท่านที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือร่างกายของท่านเองคือท่านจะแก่ลงทุกวันอาการแห่งความชราและความเสื่อมของร่างกายก็จะปรากฏให้เห็นชัดขึ้นทุกวันห่างออกไปอีกหน่อยก็คือเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่อยู่ก็จะเก่าขาดไปตามการเวลาและก็ต้องเป็นธุระหามาเปลี่ยนเพิ่มเติ ม, ตมอยู่เสมอ เรื่องเรือนในบ้านของท่านก็จะผุพังไปเหมือนกันและก็เป็นธุระที่ท่านจะต้องคอยซ่อมแซมกันเพื่อหน่วงไว้ไม่ให้มันแตกสลายไปเร็วนักบ้านของท่านเองก็ไม่พ้นสภาพดังกล่าวนี้มันอาจจะไม่แสดงอาการออกมาอย่างหวบ้าบแต่เมื่อเวลาล่วงไปล่วงไปอาการสุดโทมของมันก็ปรากฏให้เห็นอีกและท่านก็ต้องเป็นธุระในการซ่อมแซมมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท, ที่จริงท่านอาจจะระลึกถึงสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆได้อีกนานาประการซึ่งทั้งหมดก็ล้วนมีอันต้องเป็นไปเช่นว่านี้ทั้งสิน้นแม้แต่ร่างกายส่วนที่แข็งที่สุดของท่านเองก็เถอะมันอาจจะหักแตกหรือชำรุดเสียหายได้เหมือนกันท่านเห็นไม่ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกมนุษย์ซึ่งก็รวมตัวท่านเองด้วยนั้นเป็นของที่จะต้องสุดโสมและเสื่อสลายไปจนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่ล่ะ คืออาการปรากฏของความไม่เที่ยงท่านอาจจะยับยั้งมันได้บ้างชั่วคราวในบางโอกาสแต่ท่านเองก็รู้ดีว่าในวันหนึ่งจุดจบของทุกๆสิ่งก็ต้องมาถึงเข้าจนได้และวันอันเป็นจุดจบของกายเนื้อของท่านก็ได้ใกล้เข้ามาทุกขณะ